นมัส ก, การหลวงตาค่ะโยมเพิ่งมาฟังหลวงตาเป็นครั้งแรกนะคะ อ, อ, อยากจะถามว่าถ้าตัวรู้ในขันห้ากับตัวรู้ตามธรรมชาติจริงๆแล้ว่มันทำงานร่วมกันแต่ว่าเราไม่ได้เอาออกมาใช้ใช่ไหมคะไม่เอาตัวธาตุรู้ที่เป็นธรรมชาติออกมาใช้หรือใช้ไม่เป็นใช่ไหมคะหลวงตาอย่ค yeah. ือ ชื่อมันเหมือนกันวิญญาณ่วิญญาณภาษาบาลีมันเหมือนกันคือแปลว่ารู้ <caffeine. S 2> เหมือนกันเลยชื่อมันเหมือนกันว่าวิญญาณแต่วิญญาณที่มาเกิดเนี่ยก็เรียกว่าวิญญาณแต่ตอนมาเกิดเขาก็เลยใส่ชื่อว่าปฏิสนธิวิญญาณแต่พอมา ป, ปฏิสนธิวิญญาณเสร็จก็มาผสมกับสเปิร์มของพ่อกับขไข่ของแม่แล้วสร้างพืชสรตัดแล้วก็ดินกินดินกินน้ํากินลมกินไฟเข้าไปเนี่ย อสมเสร็จก็เพิ่มขึ้นก็กลายเป็นเลือดฟองขึ้นฟองขึ้นจดีย๋ยวก็ต้งมีเป็นนามรูปคือมีชีวิตจิตใจขึ้นมามีอายตนะตาุูจมุกลิ้นกายใจขึ้นมาก็เรียกว่าขันหน้ามีขันหน้าขึ้นมามีตาหูจมุกลิ้นกายใจขึ้นมาเรียกว่าอายตนะภายในไอขันหน้าก็เรียกว่ารูปร่างกายเวทนาคือความรู้สึกที่มัน <c oughs> สุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เป็นกลางๆ หรือเรียกอาทุกขมาถูกเวทนาแล้วก็สัญญาจําได้ไหมรู้สังขารก็คือคิดปรุงปุงคิดและวิญญาณก็คือวิญญาณในวิญญาณในขันธ์ที่ห้าก็คือวิญญาณทําหน้าที่รู้รู้รู้โดยสายผ่านตารู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสรู้ธรรมอารมเนี่ยผ่านประตูประตูทั้งหกประตูตาประตูหูประตูจมูกตัวลิ้งประตูกายประตูใจวิญญาณเนี่ยวิญญาณขันธ์เนี่ยทำหน้าที่รู้ตามทวาร วิญญาณขันธ์เนี่ยทาหน้าที่รู้ตามถาวรแล้วก็ส่งต่อทําหน้าที่ส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารอีกสามขันธ์คือเวลาไปรู้รู้มาก็ต้องส่งต่อเวทนาถูกใจไม่ถูกใจหรือไม่ถึงขั้นถูกใจไม่ถูกใจถ้าถูกใจก็เป็นสุขไม่สุขเวทนาไม่ถูกใจก็เป็นทุกเวทนาไม่ถึงขั้นถูกใจหรือไม่ถูกใจก็เป็นอัตุ ข, ขมาสุขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาแล้วก็ เหมือนกันเนี่ยไปรู้รูปวิญญาณเนี่ยไปรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสแล้วก็รู้ธรรมอารมณ์ธรรมอารมณ์ก็คือเวทนาสัญญาสังขารอีกสามขันเรียกว่าธรรมอารมณ์เวลาไปรู้แล้วก็จะต้องไม่ว่าจะรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสหรือเรียกว่าปุถะภาแล้วก็รู้ธรรมอารมณ์ก็คือธรรมะคือธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งได้ก็คือจิตที่มีอาการปรุงแต่งได้ที่มีอาการปรุงแต่งได้ถูกรู้ได้ ทางประตูใจก็คือเวทนาสัญญาสังขานอีกสามขันเรียกว่ารมอารมณ์ทนีนี้พอวิญญาณไปรับรู้ทางประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจวิญญาณจะต้องเอามาถูกใจไม่ถูกใจหรือไม่ถึงขั้นถูกใจไม่ถูกใจแล้วก็เอามาส่งต่อสัญญาสังขารคือคิดปรุงปรงคิดว่าอะไรเป็นอะไร จำได้ไหมรู้แล้วก็คิดปรุงปุงคิดว่าอะไรเป็นอะไรก็ต้องเอามาคิดคิดไหนๆก็คิดในใจเรานี่แหละก็คิดอยู่ในใจเราไม่ได้ไปคิดไม่ได้ออกมาคิดนอกตัวเราหร อ, อกเอามาคิดในใจแต่ตามพิธามก็จะเรียกว่ารูปจิตเจตสิกนิพพานรูปก็เรียกว่าร่างกายจิตก็คือวิญญาณขันจิตก็คือวิญญาณขันนี่แหละแล้วก็เจตสิกก็คือเวทนาสัญญาสังขารก็อีกสามขัน ก็คือรูปจิตเจตสิกก็คือขันธ์ห้านั่นแหละแล้วก็นิพพานก็คือพ้นจากขันธ์ห้าคนจากความยึดถือเนี่ยแต่นี้เมื่อมันเป็นแบบกระบวนการทํางานแบบเนี้ยวิญญาณขันธ์เนี่ยเขารู้อะไรก็ก็จะต้องมาคิดปรุงปุงคิดถูกใจไม่ถูกใจหรือไม่ถึงขั้นถูกใจไม่ถูกใจมาคิดปรุงปรุงคิดอยู่ในใจเมื่อเราปล่อยวางหมดเลย ปวางร่างกายไม่คิดที่บอกว่าป่อยวางร่างกายคือแค่รู้สัตว์ตะรู้ร่างกายปล่อยวางร่างกายปล่อยวา ง, วางตัวเราทั้งหมดอะร่างกายจิตใจคือเวทนาสัญญาปล่อยวางร่างกายคือเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิน ญ, ญา <What>? ปล่อยวางหมดเนี่ยคือแค่รู้ตัตวะวรู้ขันห้าแค่รู้สัตวะรู้ขันห้าไม่เข้าไปยึดถือกันหน้าคือกายนั่งยังไงก็ก็รู้อยู่ว่ากายนั่งยังไงก็แค่รู้นี่เรียกว่าปล่อยวาง กายหายใจอย่างไงก็แค่ร no ู้เรียกว่าปล่อยวางร่างกายจิตใจมีเวทนาอย่างไรก็แค่รู้เรียกว่าปล่อยวางร่างกายมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อย่างไรเรียกว่ารู้เรียกว่าแค่รู้ก็เรียกว่าปล่อยวางเรียกว่าปล่อยวางขันหน้าไอ้นี่ว่าแค่รู้ร่างกายแค่รู้ร่างกายก็เรียกว่าวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุหรือวิญญาณที่มาเกิดนี่เนี่ยเรียกว่าวิญญาณธาตุนั้นเวลาเราใช้เนี่ย ธรรมชาติเขาใช้เขาใช้ของเขาเองคือใช้เอ่วิญญาณขันไปรู้ตามทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสาร ส, มสัมพันธ์แล้วก็มีความเข้าใจอะไรกันได้ก็คือใช้วิญญาณขันแต่ที่ธรรมศาสตร์แต่วรู้ร่างกายเราเนี่ยเพื่อความพ้นทุกข์รู้ร่างกายจิตใจรู้ขันห้าเนี่ยคือเพื่อความปล่อยวางขันห้าหน้าที่ของวิญญาณธาตุาที่เป็นรู้เหมือนกันชื่อวิญญาณเหมือนกันกับ หน้าที่ของวิญญาณขันเนี่ยทําหน้าที่ต่างกันหน้าที่ของวิญญาณขันทําหน้าที่รู้ตามทวารแล้วเอามาส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารอีกสามขันแต่หน้าที่ของวิญญาณธาตุเนี่ยมีหน้าที่รู้ละปล่อยวางขันห้าคือแค่รู้สัตว์วารู้เป็นธรรมชาติที่ได้ทําหน้าที่แต่รู้อย่างเดียวรู้อะไรก็รู้เนี่ย ว่าขันห้าเนี่ยเขาคิดแอบคิดแอบนึกแอบตึกแอบต้องแอบพยายามกระทาอะไรแอบพูดแอบกระทําอะไรในที่รับที่แจ้งเขารู้หมดเลยเพราะว่ามันอยู่รวมกันอยู่ในร่างกายเรานี่แหละรวมอยู่ในขันห้านี่แหละอมันก็เลยรู้ขันห้าตลอดเลยแต่รู้ไม่ได้ทำอะไรหรอกเพราะวิญญาณธาตุเขาแค่รู้เป็นท่านเราแค่รู้ขันห้ามันก็ต้องกับปล่อยวางขันห้าเพราะปล่อยวางขันห้ามันก็ไม่ยึดเอาขันห้าเป็นตัวเรา ก็ไม่เอาตัวเราไปยึดอะไรให้เป็นทุกข์ไม่ใช่ว่าดีรักชั่วชังเกลียดทุกข์รักสุขอะไรตัวนี้วิญญาณวิญญาณขันเนี่ยวิญญาณขันทาหน้าที่รู้ตามทวารเกิดจากการผสมสับผสมพันธ์กันพงพ่อกับแม่แล้วก็เป็นมีวิญญาณธาตุที่มาเกิดนี้แต่วิญญาณขันเนี่ยรู้ตามทวารทําหน้าที่รู้ตั้งแตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ส่งต่อมาเวทนาสัญญาสังขารก็มาคิดปรุงปรุงคิดอยู่ในใจเราตัวนี้ฝ้าเขงคิดเขาพูดเขาก็ทําอะไรล่ะสักแตว์รู้ทุกคิด สักตะวันรูทุกพูดสักตะวรัรูทุกกายกระทําทุกกิริยาการแค่สักตวันรูร่างกายจิตใจเรานี่แน่แค่สักตะวรัจจววรูมัมนจะเป็นมีญาหนัธาตุพอไ ป, ปมียาธาตุมันก็สิ้นยึดถือขันห้ามันก็เลยหายตัวไปแต่พอถ้าเราไปไปยึดถืออยู่ยังไม่ทิ้นยึดถือเอาขันห้าเป็นตัวเรามันก็ไม่มันก็ไม่หายตัวได้เพราะว่ากายแต่ตายกายแต่อตายแต่กายเนื้อแต่มันเป็นเป็นมันไปยึดเอายังยึดถือว่าไอ้ร่างกายเราขันห้าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราคือมีตัวเราอยู่ในขันห้า แม้แต่ขันห้าดับแล้วมันยังบอกว่ามีตัวเราอยู่ในขันห้ามันก็เอาตัวเราเนี่ยออกจากขันห้าไปการไปเป็นกายโปร่งแสงเราไม่เข้าใจว่าเราเป็นรู้ที่ตัวตนไม่มีมีหน้าที่รู้รู้อะไรกับรู้ขันห้าเนี่ยแหละแล้วไม่ยึดขันห้ามันทําหน้าที่ต่างกันอันนี้เข้าใจไหมเข้าใจค่ะเข้าใจ